สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะต้อน เหตุการณ์ครั้งพุทธกาลก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณเมืองสําคัญซึ่งปัจจุบัน ควรจะรู้จักกันเอาไว้และในสร้างเค้าเรียกว่าอะไรคะยอดเจดีย์คือเจดีย์ก็มีอยู่แล้วเนี่ยจะเอาทองคําไปหุ้มยอดเจดีย์ด้วยกันเนี่ย เอ่อในพูดถ้าพูดถึงโพธิคยานะที่น่า <นะ. S 1> เอ่อมาที่ 2 เดือนแล้วก็ไปแล้วไม่ 2 เดือนเอ่อก่อนที่จะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ทํา ร่างกายร้อนไปทั้งตัวร่างกายนี่ร้อนเป็นทั้งตัวเหมือนแขนนําไปย่างยมรมเยินอยู่เนื้อหลุมถ่านเพลิงนะร้อนระอุไปทั่วตัว<ใช> ไอ้ทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบปิดร้อนเกิดขึ้นทางกายเนี่ยทุกขเวทนาเหล่านั้น <Okay. S 1> นั่นก็คือจะอดอาหารล่ะแล้วพอตั้งใจว่าจะอดอาหารเท่านั้นปั๊บ <Okay. S 1> แล้วถ้าผมว่าเทวดาพวกนี้เอาอาหารมาผ่านทางรูคุ้ม มันมีร่างกายผอมมากนะเราเคยเห็นเด็กในแอฟริกาที่เขาผอมขนาดนั้นน่ะนะเนี่ยมันจะปูดๆ กลุ๊กข้อแขนขานี่มันโอ้ยมันน่าเกลียดมากนะใบ พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็นั่งคิดเหมือนกันแล้วก็มา 3 อย่างอย่างแรกเนี่ยคือเปรียบเสมือน อ่าไม้สดนี่คือ 1>, <Okay. S> 1 นะ 2 ไม้สดๆนั่นแหละ แต่พอให้ไกลจากน้ําก็จริงๆแล้วมันยังเป็นไม้สดแต 2 นะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็พิจารณา <Okay. S 1> 3 นะไม้แห้งเนี่ยตัวนี้ไม้แห้งไกล นะ, นะอุปมาข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 เนี่ยทํา 5 เค้าเรียกว่าวัตถุกามนะถ้าเรายังชุ่มอยู่ในวัตถุกามเนี่ยมันมันจะยากในการที่จะมาทําไฟให้เหมือน ก็อุปมาข้อแรกก็คือว่าไม่ทําก็ตามนะคุณไม่มีทางที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณ 1 หรือ <นะ. S> 2 นั้นก็คือว่า นั้นลีออกจากเรือนหลีกเร้นแต่ถ้าใจยังชุ่มด้วยกามน่ะก็ไม่ได้เหมือนกันคุณจะทรมานที่ 3 น่ะว่าใจเนี่ยไม่มี นะตรงนี้จึงเป็นอุบมาว่าไอ้การทําความเพียรตารมารตัวเองเนี่ย มันคิดว่ามันพิจารณาถึงตัวเองอ่ะนะย้อนกลับมาในดูในใจของตัว นะอนาคตก็คงจะไม่มีใครทําได้วิญญาณอันแล่นไปตามความระลึกน่ะ<ใช> นะตอนนั้นชาวศักยะเนี่ยเค้า 7 ขวบ 9 ขวบนี่มีเงาเย็นสนิทนะนั่ง 1 โพดตรงนั้น เคยทําสมาธิได้ตรงนี้สงสัยนี่จะเป็นวิธีในการว่าใช่เลยแน่ สงบความสุขในใจให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันคงจะ ก็ยังไม่ทอดทิ้งไปยังค่ะค่ะก็ๆเลยใช่ๆเป็นสถานที่หลายวันก็ตามทีเนี่ยห้วงเวลาก่อนจะ อะไรที่ทําให้ถูกแก้ไขทุกก็อยู่ที่นี่ค่ะท่านคะคือถ้าๆเนี่ยไม่เห็นละเอียดพิสดารเท่าที่ นะซึ่งท่านพระธาตุเรียบเรียงมาจากพระไตรปิฎก กุมารเหมือนกันนะคะใช่ๆใช่ซึ่งพุทธพจน์นี่ก็ นะคะวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเรียนบานท่าน ในส่วนโครงการรับบริจาคนี้ ก่อนที่จะก้าวข้ามจาก FM 106 นั่นวันนี้ลากันไปก่อนนะคะค่ะวัน